เราให้มันเข้าถึงใจเลยให้ทำเนี่ยเข้าถึงใจอธิษานให้คทำเข้าถึงใจทุกครั้งแล้วเราก็อดเข้าใจไม่เข้าใจลุยฟังลุยอ่านรวดไปเลยเป็นประจํำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าถึงใจเองนะทีนี้ใครยังไม่เคยเข้าไม่ได้เข้าหลายก็เข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวให้เต้ยเต้ยเข้าไปแอะส่งกีวาโพสตเข้าไปให้ทุกคนแล้วก็ไปไปนั่นหรอเข้าไปแล้วก็ฟังอ่านหนังสือทางวตถุที่ตรงมให้ไปอ่านเนี่ยพวกเราไปอ่านเข้ามันดีมากอันเนี้ย พยายามทำความเข้าใจว่าตรงไหนไม่เข้าใจเราก็ทิศฐานหรือวุฒคุณทำอาคุณตัดสัมกคุณปิญญาปาฎกุบาจารย์และวก็คุณบารมีของเราขอให้ทำเนี่ยมันรู้แยกถึงใจแล้วเราก็ลุยเลยลุยอ่านเข้าใจไม่เข้าใจลุยไปเดี๋ยวเข้าใจเองเดี๋ยวเข้าใจถึงใจเองไม่ใช่ว่ามันเข้าใจแค่ความจำเราก็ลุยไปเลยอย่าเี้ยแล้วสุดท้ายใจของท่านจะเป็นธรรมแต่เป็นธรรมเรื่อยๆกเรื่อยๆมันจะขึ้นไปอ่านก็ไปอ่านเข้าไปก็ไป ลูกตามีอยู่ในโน้ตเลยในในในโน้ตของลาเนี่ยเไปอ่านทนะั้ง่องในโน้ตนั้นด้วยนะเราไปอ่านมัน อ, อยู่ในโน้ตนะแล้วจะทําให้เข้าใจชัดเจนทูกท่านเขา้าใจแค่ชัดเจนชัดเจนในใจของท่านแล้วเนี่ยเวลาประมาทครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าท่านจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจของท่านเนี่ยที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยที่มันรวบยอดแล้วเนี่ยมาถามอูกตาลูกตาก็จะตอบให้ให้ใหมันจระจ่างขึ้น นี่ถ้าท่านไม่ไม่ไปฟังไว้ไม่ไปอ่านไว้ไม่ทำความเข้าใจไม่ในใจจนชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาลุกตามาแล้วเนี่ยมันไม่มีคำถามที่ออกมาจากใจเพราะท่านยังไม่ได้ความมวลความรู้ความเข้าใจไว้ในใจของท่านเมื่อท่านความความวลความรู้ความเข้าใจถอดไปในใจของท่านลอกท่านก็จะต้องมีคำถามนะที่มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาว่าอันนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อันนี้จะมาจึงเป็นอย่างนั้นอันนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ม, มันเกชดมาจากความรู้ความเห็นของพระเจ้ที่ชัดเจนแล้วแต่ส่วนไหนที่ไม่ชัดเจนก็เกี่ยวคําถามเลยเวหลังตามาถ้าเราคำถามวันเนี้ยมามาถามหลวงตาก็าจะตอบให้ให้ชัดเจนแต่ถ้าท่านไม่ไปอ่านมาก่อนไม่ไปทําการบ้านมาก่อนเนี่ยพอลวงตามาเนี่ยท่านก็ไม่มีการบ้านอะไรมาส่งแล้วก็ไม่มีการบ้านอะไรให้ตอบไปยีีเพราะว่าการบ้านเก่าท่านไมได้ทำํำถ้าท่านขยันทาการบ้านเรียนอ่านเรียนฟังมาขยับพิจารณาติดใจตนเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าหลักท่านเนี่ยการบ้านตลอดเวลาพอทําการบ้านระสิติจเปลี่ยนไปไงหลงตามาให้กรรมมาตกหลวงตาต้องไมาตรวจการบ้านแต่ละคนว่ามีความพัฒนาก้าวหน้าภาในจิตใจอย่างไรแล้วก็จะให้การบ้านใหม่ต่อไปเราทำให้มีการบ้านใหม่การบ้านเก่าพอสกการบ้านใหม่ก็ไม่มีมันจะเสียประโยชน์เพราะว่าท่านไม่ได้พัฒนาทําการบ้านอะไรเลยเวลามาพิไลท่านก็เอาไอ้ความรู้ความเห็นความเข้าใจเก่าที่ท่านฟังไว้อ่านไว้ในแต่ตำหนักเนี่ย ในที่ถ้าไปเรียนมาไปศึกษามาเนี่ยถ้าก็เอามาโต้แย้งอยู่นั่นเนี่ยเอามาไปตั้งตั้งเป็นลำขวางไว้เงี้ยในใจตัวการพยายามจะเปิดให้ยถ้าก็ตั้งเป็นลำขวางไม่ได้ใจจะเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้เพราะว่าท่านเอาความรู้ความเห็นควาเข้าใจที่ท่าไปเรียนมาเนี่ยแต่ท่านไม่เข้าใจไปเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยท่านครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านท่านอาจจะเขาครูบาอาจารย์ท่านก็อาจจะเข้าใจแต่ตัวท่านทํามาไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะก็จะดิดิ้สุดๆท่านก็ ตั้งเป็นลำขวางไว้ในใจของท่านเน่ยลูกตาพยายามจะเปิดเยายจะต่อแต่ท่านไม่ยอมปล่อยวางไม่ไม่ยอมปล่อยวางที่จิตมานะความเห็นเนี่ยของท่านเนะี่ยคานเอาไว้เมื่อความเห็นของท่านคานเอาไว้ลูกตาเราจะมองเห็นว่าเหมือนกับเนี่ยมันมีน้ําชาอยู่ในแก้วเต็มเลยเนี่ลูกต า, าก็สุสามเมตตาสุสานมาแล้วก็อยากจะเติมให้ก็อยากจะเติมน้ําชาให้ท่านะลูกตามีน้ําช า, าให้เติมให้อยากให้เติมเข็มครับแต่ท่านไม่ยอมทิ้งเอง น้ำชาท่านมันลดแก้วเสร็จแล้วเติมน้ําสะอาดไปสุดก็ไปยังไงมันเติมไม่ได้เพราะว่าท่านเน่ยชาของท่านมันเต็มแก้วลนถ้วยท่านไม่ยอมเทออกสวงตามีน้ํากันโดยสุดแต่จะเทให้ท่านแต่ท่านน่ยมันรับไม่ได้เพราะว่าท่านไม่เทของเก่าจริงท่านกักของเก่าไว้อย่างเงี้ยแต่น้ํากันได้สุดจะกระยามได้แต่น้ําชาของท่านเต็มแก้วท่านไม่เททิ้งน้ำการไดยสุดจะกระยามได้แต่ท่านไม่เททิ้งลวงตาท่านล่า พยายามจี่บอกว่างสงสัยถามงสงสัยถามก็เห็นอยู่ว่าน้ําชามาันนแก้วได้จริงสงสัยส ถ, าถามถามถามถามจะเติมหมเติมอะไรล้นออกลากมาจนถึงขึ้นมาจนสูงแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวก็ไปได้ละอุท้ายารากสักพังหนึ่งต้องอปล่อยเพราะว่ามักลับไปเอาตัวเองตัง้งเอาไว้แล้วไม่ยอมพูดแล้วบอกว่าอย่าไปอย่าไปพูดในใจคนเดียวไม่เห็นด้วยอะขอให้ถามเรา ถามเลยไม่เห็นด้วยว่าทำไมอาจารย์ที่สอนไม่เหมือนอาจารย์ของเขาทําไมยิงสอนไม่เหมือนพระคมพีเอ่อทำไมให้ทราบเลยว่าทำไมยิงสอนไม่เหมือนพระคำพีอย่าไปคิดเองว่าเด็กสอนไม่เหมือนคำพีเลยสอนเหมือนอาจารย์ของเราอย่าไปคิดเองอย่างนี้โอ้ยคิดเองอย่างเงี้ยก็ถามมาเลยว่าทําไมอาจารย์เนี่ยคำพูดตรงนี้สอนตรงนี้ไม่เหมือนคมพีไม่เหมือนอาจารย์เขาลูกตาจะได้อธิบายตอนนี้เมืวลาไปคิดเองมันก็เลยหมดหมดคําที่ปายเราบอกว่าได้เห็นอยู่วันนี้นั่งคิดอยู่ในใจตอนนี้ ถ้บอกไว้ให้พูดออกมาพูดออกมาก็ไปยอมพูดพอจะไปเทียบนั่งเที่ยเคียงอยู่ก็ไปยอมพูดไม่ยอมพูดอย่างเงี้ยหรือยวท่านไม่น่าคิดเองพอทุกคนออกไปแล้วเราทามหาแล้วว่าสอนไม่ตรงว่าคำพีอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วไปยอมถามด้วยว่าไม่ตรงเพราะอะไรแต่ไม่ยอมฟังว่าสอนไม่ตรงเพราะคำพีแล้วก็ไปโดยที่ไม่ได้ถามว่าทําไมคําสอนของตากับคำพีมันจงไม่ส่งกันจะได้แจกแจงให้เข้าใจ แต่ไม่ถามก็ต่อไปตรงคําดีอย่างนี้ก็ไม่ไม่วังอย่างนี้เนี่ยน่าเสียดายมากน่าสงสารมากเลยเพราะว่าอะไรตัวเองยังไม่พ้นทุกตัวเองยังไม่สิ้นกิเลสตัวเองยังไม่บรรลุนิผ่านไม่ใช่ว่าตาบอกว่าตัวเองบรรลุนิผ่านแล้วแต่ทุกคนไม่ต้องรู้ใจตัวเองว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสไม่พ้นทุกข์ไม่บรรลุิพพานเราจําคำพีได้จําคําสอนครูอาจารย์ได้แต่ไม่พ้นทุกยังทุกข์มากอยู่เลยอ่ะแต่เราไม่ฟังคนอื่นแล้วไม่ไม่ถามเหตุผลว่า ถมาจึงสอนไม่ตรงครูอาจารย์เขาถ้ามาจึงต่อไม่ตรงสักคำพี่อไม่ตรงสอไม่ตรงอย่างเนี้ยไอ้ไม่ตรงเนี้ยไม่ตรงเพราะอะไรถ้าถามเขาแล้วเราก็ใจยังไงแล้วถ้าใจยังไงสอนไม่ตรงก็สัตว์สอนไม่ตรงนะครับไม่ตรงก็ไม่ตรงครับอีกปุ๊บก็เด่นใจบอกให้พูดออกมาพูดออกมาก็ไม่พูดออกมาก็เห็นตั้งลำไว้เนี้ยคันจะพยายามจะแก้จะช่วยก็ไม่ยอมฝื้อขาเนี้ยหมดปัญญาจริงจริงนี้ย ตรงนี้พุทธเจ้าตรัสว่าคนโง่เนี่ยสอนได้เพราะคนโง่ไม่มีที่ติมานะพุทธเจ้าสอนคนโง่ให้บรลรลุอรหันต์ได้คือยูรัดกโง่มากบรรทัดเดียวเนี่ยท่องไปได้หน้าลืมหลังได้หลังลึมหน้าเพราะด้ยวยบากรรมเก่าคือเคยไปหัวลอกพระที่พระแก่ที่บวชมาใหม่แล้วก็ส่วนหมดไม่ได้ก็หัวลอกเขาเขาอักอายก็เลยขึ้นไปด้วยกรรมในชาตินั้น น, น, น่ยเกิดมาเลยสมองโอง่อมแต่คนโง่พุทธเจ้าสอนให้บรลรลุอรหันต์ได้ แต่คนมีทิติมานะพทธเจ้าตรัสว่าเราสถาพชักกะพานเสียคนโก้สอนเม็นลูกอาหารหันได้แต่คนมีทิติมานะพระเจ้าชักกะพานเสียรเรามาที่นี้เราเห็นหลายคนมากเลยตั้งลำขวามวาในใจมีทิติมานะความเอาความเห็นของตัวเองเอาในความเห็นของครูบาอาจารย์ของตัวเองมาแล้วมาตั้งลำแล้วก็ไม่ถามเราว่าทําไมจึงสอนได้เหมือนอาจารย์เป็นเพราะอะไรตรงนี้มันแตกกันยังไงเลย เราก็ได้แจกแจงให้เออจะแจกแจงให้แบบอย่างเนี้เป็นพ่ออย่างนี้อย่างนี้พ่ออย่างนี้ตัวนี้ไม่ยอมถามไม่ยอมถามก็ตั้งหลังกว้างอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองก็ทุกอยู่แล้วตัวเองอย่างเนี้ยมันจะพรทุกได้ไงเพราะว่าเรามีที่ถีบมานะไปหาครูบาอาจารย์อะไรแล้วก็เอาที่ถีบมานาเอาตั้งลำไปไปหาครูบาอาจารย์ทุกท่นแล้วครูบาอาจารย์ที่ถ้ารู้ว่าธาตจิตท่านก็ดูมันไปไม่ได้มันเปิดไม่ออกมันปิดประตูไว้แล้วจะสอนอย่างไง แล้วก็ไม่ยอมสอนไปหาใครก็ไม่ไปสอนผู้เนี้ยสุดท้ายตายเปล่าตายเปล่าเกิดไปชาติใหม่ต่อให้อีกอนันตการไปเจอพุทธเจ้าก็ไปมีทิติมานะของพุทธเจ้าอีกเพราะว่าทิติตัวเนี้ยมันมีตั้งแต่คำพกราตชมาแล้วคําสอนที่เป็นคําสอนพรทธเจ้าแล้วตัวเองก็ไม่ซักไม่ซักแล้ตัวเองก็แบบรู้นิพพานพอไปเจอพุทธเจ้ามันก็ไปมีทิติมานะของพุทธเจ้าแล้วเจ้าก็ตัดว่าทิฏฐิมานะนี้เราชักสะพานเสีย มันก็จะเสียโอกาสเป็นอนันตตการไปเลยจ้ะเนี่ยนั่นแหละถ้าเราไม่รู้เราต้องซักต้องมาที่ไม่ตรงกับครูบาอาจารย์แล้วเราเนี่ยก็ไม่อา่านเล้วม่อ่านในคำสอนฟังซีดีที่เราให้ไป ฟ, ฟ, ฟังฟังไฟเสียงที่ส่งไปมันไม่ตรงอย่างไงคน้นไปคนน้นครูบาอาจารย์ท่านนัคนนี้ลูกตาต้องพยายามแชร์ของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระราหันไปรู้ยังไงว่าท่านเป็นพระราหันก็เพราะว่ากระดูกของท่านเนี่ยเผาแล้วก็กลายเป็นพระธาตุเป็นเกศเพชรไปหมด สเนยเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นพระอหันต์ในประเทศไทยในพุทธิมีพุทธศาสนาถ้ยอมรับว่าผู้ทิพาและกระดูกเนี่ยเป็นพระธาตุเนี่ยคือพระอรหันต์แล้วคําสอนพวกเนี้ยหลวงตาสอนแล้วหลวงตาไม่ได้สอนคนเดียวหลวงตาคําสอนของพ่อแม่อุูบาจารย์ที่ท่านเป็นพระอรหันต์กระดูกเป็นพระธาตุเนี่ยหลวงตาจะพูดประกอบคําถามคําตอบคําสอนตลอดเลยว่าละเนี่ยที่หลวงตาเก่าวสอนแบบเนี้ยมีคําพูดอย่างเนี้ยที่พ่อแม่อุูบาาจารย์เนี่ย ที่เป็นพระล้านเนี่ยองค์นี้องค์นี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยท่านเคยสอนเป็นอย่างนี้ลูกตาเอาลูกท่านมาเอาคำสอนท่ามาปะปะปะปะปะว่าลูกตาพูดว่าอย่างนี้แล้วมีพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเคยสอนเป็อย่างนี้เอามาเปรียบเทียบให้กันเสมอถ้ามีของพุทธเจ้าเอาของพุทธเจ้าออกมาปะให้ปะให้ตลอดอ่ะตรงเนี้ยถ้าท่านไม่มีที่อ่านะเนี่ยท่านก็ไปอ่านเนี่ยมันจะเข้าใจแต่น่าเสียายมากเลย เชิญไปสอนแต่และที่่รู้ไม่จริงฟังมาคลื่นๆกับการพูดความมาก็แปลความมาขึ้่นๆกับการแล้วกต็ตัวเองก็ฟังคําสอนผู้บราอาจารย์มาคลื่นๆอับการแต่พอแชให้แล้ว ก, แวก็แล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้จริงแล้วก็อ้างว่าเรียนปรยาโทไปริยนเอกเลยแต่มาถามแล้วก็แล้วก็ดูไม่รู้เรื่องเลยถามไปก็เออ่านรูปทางนี้ตลอดแล้วก็ไม่รู้เรื่องดูแลเครียดมากเลย อ้าวเขาบอกเขาส่งมาให้ถามเดี๋ยวถามหน่อยอ้าวไม่มีอะไรถามเหรอถามเขาถามเลยถามเขามาใจใจให้ถามเราถามพวกฟาร์มก็รู้รู้ชัดเลยว่าเทียบว่าทําไมเราให้ตังพระเอให้อาหารพระกับให้ขอทานทําไมให้พระกับน้องน้องด้วยให้กอทานทํำไมไม่น้องน้องอะไรแก่บอกบขอทานกับพระแตกต่างกันยังไงก็คือนี่เราบอกว่ามันรู้แต่งในรู้ใจตนเองเนี่ยนะ ผมว่าพระกัาขอทานมันแตกต่างกันยังไงทํำไมต้องน้องน้องกด้วยเขอกว่าโอ้โหหนู้ยมันอย่างเงี้ยมันจับยุ่งล้วงเลยบ้าเลยอ่ะหรือ่าหรือว่าเกิดไปอนัตตการนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนาตการจะช่วยได้หรือเปล่าบอกว่ารู้ไปปจุบัติหนูเนะให้ใจหนุนสงบแล้วจะรู้เองว่ามันแตกต่างกันยังไงพบอกว่าตรงนี้คำถามมันไม่ได้มีคำอธิบายแต่ว่ารู้ไปปฏิบัติใจของหนูให้สงบดีกว่าลูก เมื่อใจของหลวงสงบแล้วเนี่ยหลวงจะรู้ระหว่างว่าพระได้มาใ น, นจึกไปถึงผมท่านเหลืองพระมาถึงคนที่มีใจสงบลมเย็นหมายถึงอย่างพวกท่านเนี้ยเมื่อใจของท่านมีความสงบลมเยน็นใจของท่านปัรกระจับทุกท่านจะรู้ตัวของท่านเองว่าใจของท่านแบบนี้สงบลมเยน็นแล้วใจของเราปัรากระจับทุกแล้วนี่แน่ใจของท่า น, นเป็นพระดูยังไงว่าใจเป็นพระทำไปเป็นพระก็พระเพลอง ถ้าใจเป็นพระเพลิงมันก็ไปเป็นพระอะไรคนใช้พระเพลิงไงหรือจม่พระเพลิงถ้าใจเป็นพระเพลิงมันก็ไปเป็นพระเออเราอ่านใจน้องออกเื็นเต่าเป็นเต่าเป็นเต่าอุ้ยเอาอะไรมาเทียบเทียบใจของเราเนี่เป็นพระเพลิงือเป็นพระล่ะเออถ้าไฟในใจของเรามันดับอ่ะมันก็เป็นพระแต่ถ้าใจเราเป็นพระเพลิงอ่ะเออมันตั้ทุกข์ตั้งร้อทตัสงกัตั้งเศร้าทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งอะไรสารพัดเนี่ยแล้วมันจะเป็นพระได้ย่งไรเนี่ย อันนี้มันเป็นพระเพลิงไงก็เพลิงก็คือพระเจ้าตรัส ว, ว่าลาภ ก, กินาโตสะัสกิาโมหะ ก, กินาราะเป็นไฟความโลภเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะคือความรุ่มหลงวิงตกกังวลเจ้าหมองฟุ้งซ่านเบื่อเ่งพุ่มท่อแท้หดอูสิ้นหวังเออโดนหมดเลย น, นั่นเองท้งทอแท้หดอูเบื่อเจงพุ่มท้อแท้หดอูสิ้นหวังนี่คือโดนใครมันน่ง ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเมื่อเจ้าตัดว่ามันเป็นไยอันนี้คือพระเพลิงก็เพลิงอันเนี้ยมันไม่เป็นพระมันเป็นวะเพลิงเออถ้าไฟมันจับเนี่ยมันก็เป็นพระพะไม่เหลือผมว่าเหลืออย่างนี้พระถึงคนที่ใจมันสงบล่มเย็นจะกพระเพลิงแน่นะคับคือเป็นพระเนี่ยพระเจ้าตัดว่าพระสงฆ์สาวกของเราเนี่ยเออมีแปดประเภทหรือว่าแปดหรือสี่จังหวะ แต่ประเภทก็คือะไรได้แก่วโสดาพระโสดาปฏิบัติโสดาปฏิพนสกัดธาตุมรมัดสกัดธาตุมีปวดอนาธาตุมีมัอนาธาตุมีปวดอลาธาตมีอลาธาตุปวแปประเภทมัดหมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อมาผลนิพพานมุ่งตรงไม่มีวันย่อท้อแผ่นดินไม่กบหน้าไม่มีวันท้อถอยสถาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าพันโคงไม่งอนแง่งกอแกนแต่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหรือใจยังไม่เป็นเรียกว่าโสดาปฏิบัติ พอใจเป็นแล้วเรียกว่าโสดาปฏิผลเนี่ยมัดคือผู้ผู้ที่แน่วแน่เลยว่าไม่ถอนคื่อแล้วแผ่นดินไม่กบหน้าเช่นจะไปยอมฉานจะต้องมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานให้ได้แต่แจมมันยังไม่เป็ น, นแต่ผู้ที่เด็ดเดี่ยวแบบนี้ใครไปปาม้าเข้าเอากำหนักเหมือนกั น, เ, นเพราะว่าอะไรเขาเด็ดเดียวเนี่ยเป็นพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าแล้วแม้แต่ท่านไมตมาผมฟาดหลือกไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวแบบนี้ท่านเป็นจะแล้วเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะแล้วเพราะมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพาน ให้สนาลกรมไม่งอนแงนขรแกนแต่จิตใจของท่านคือพอทุกขก็ตกาประสงค์ให้งอนแงนขรแก น, อ, นแอันเนี้ยท่านมุง่งถูกมุ่งตรงต่อพระโสดที่ผ่านแล้วแล้วใครไปดูถูกจับเจ้าล่วงเกินมันก็เป็นบาปกรรมอะไรนี้เออไมนจําเป็นต้องมีพรนเหลืองอย่างนี้หรือว่าพบท่านทั้งหลายเดี๋ยวเราเห็นเราเห็นหน้าไม่รู้ใจไ ม, ม่ไม่รู้ภูมิจิตภูมิสางรของเราไม่มีอภินญญาไม่มีตาทิพย์อูทิพย์รู้เวาลาทิพย์ก็รู้ได้เราเห็นแต่กับกพยาการภายนอกของเขาแล้วไปตำหนิติดเตียนนินตาว่าร้ายวิวาวิญญา อันเนี้ยอันตรายเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ลองหน้าเอากระดูกกระแข้งคอไม่รู้าใครเป็นใครแล้วมาคอน่ยบุญบา ร, รมีมาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเด็กตัวเล็กๆเกิดมาเนี่ยพอมาหาเราหน่อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหไอพวกอันนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากบุญบา ร, รมีเต็มๆเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเซียนเป็นอะไรแล้วมันมาเต็มๆอย่างเนี้ยแล้วเราไปดูถูกฟ้องเตมยมกิจการภายนอกแต่ข้างในอะ่ะมันมาเต็มแล้วเนี่ยมันมาเกิดเพื่อเพื่อเพ่พอลูกหล า, า, านในจานนี้เราเนน่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ โอ้โหใครไปดูถูกก็ได้อย่างเงี้ยดังนั้นเราเนี่ยระวังรักษาใจเราดีดีกว่าใครเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพออย่าไปเพ่งโทษเขาคือได้เพ่งโทษเขาเนี่ยเนื้อไม่ได้กินน้ําไม่ร้องหน้าเขาก็ดูปกะแหวงกอเราไม่รู้ใครเป็นใครเดังนั้นไอ้เขาเนี่ยทาบาปกรรมอะไรมีกินดีเขาอย่าไปติตำหนิติเทียนนิจาว่าลายเขามันจะไปร่วมทำกรรมของเขารักษาใจเราให้เป็นพออันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปยึดถือตําราอย่ายึดถือคมภี์แต่ต้องเอาคมพีร์เนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่อย่ายึดถือพุทธเจ้าอย่างตัดเลยว่าเนี่ยเราสถาพุเป็นคนสอนเองนะเนี่ยพัฒธรรมขึมาออกมาจากใจของพุทธเจ้าขนาดพระน์ธรรมออกมาจากใจพระเจ้าพระเจ้ายืนพระเจ้าเป็นคนมาสอนเองยังบอกว่าแม้แต่เราตถาพุอย่ายึดถือเนี่ยขนาดเราไปยึดถืออะไรพพุทธเจ้าแล้วมาสอนเองยืนสอนเองออกธรรมะจากใจพุทธเจ้าอยู่หรอ อย่ายึดถือเราเป็นอันขาดอย่ายึดถือเราตถาคตไปเอาทั้งของเราตถาคตไปพิจารณาจนใจของเราเนี่ยดับเพราะเพลิงในใจได้เพิงแห่งความทุกข์เพิงแห่งความโปวดแผลท่าพยาบาลเพิงแห่งความกลัวเพิงแห่งความกังวลเพิ่งแห่งทิฏฐิมานะเราดับได้หรยอย่างถ้าเราดับได้ท่านไม่จําเป็นต้องหมองเหลือท่านเป็นพระแล้ว ท่านสามารถอาลูกของท่านติดข้างขวาท่านกลับตัวตะเองได้ทุกวันเลยเพราะท่านเนี่ยเป็นพระแล้วขอให้ท่านเนี่ยจะเป็นพระด้วยใจไม่ต้องเป็นพระด้วยกายแต่ขอให้ทุกคนเป็นพระด้วยใจ